เอาพวกเราเข้าที่นั่งภาวนาเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นบรรยากาศที่เหมาะกับการนั่งภาวนาแท้ที่จริงการฟังเทศน์นั้นอะ่ะมันต้องทําใจลึกๆทําตื้นๆไม่ทันไม่ถึ ง, ไ ม, ถงไม่ถึงใจไม่ถึงธรรมจะทําใจให้ลึกได้เราต้องนั่งภาวนาทุกตาท่านยังบอกเลย ท่านบอกว่านั่งภาวนาฟังเทศภาคปฏิบัติได้ผลดีกว่าเรานั่งโดยลาพังลองไปฟังเทศลงตาท่านถูกท่านจะพูดอยู่นี้เลยเสียงดังพอดีทั่วถึงกันไหมฮะวันนี้บุญพาพวกเรามาพบกันตอนหัวข่้งประยมจิระชัยยมบีไปกราบ เอาปนานะไปถวายเล่าให้ฟังแล้วมาช่วยงานจายเยื้อตลอดก็เพิ่นลงมาเราก็มาเดินเ ด, เดินจงกรมข้างหน้าพหลานกุฏิตรงนั้นแหละเดินไปเดินมาเดินไปนึกถึงจายเยือ้อภาหมู่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่พุทธมนตลร้อยเท่าไหร่ร้อยสบกร้อยสิบสองตอนนี้เหลือร้อยเจ็ดครับร้อยเจ็ 1้อยสิบสองูปตอนนี้เหลือร้อยเจ็ดโอ้จันยื้อทำงานใหญ่เราไม่มีโอกาสได้ช่วยจันยื้ อ, อ <c oughs> คิดไปคิดมานึกไปนึกมาซะหน่อยรถโคลอไปอ้าวกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาแล้วนี่ยพอ ด, ดีมันเป็นช่องช่องว่างพอ ด, ดีเลยมีโอกาสได้มาพบพวกเราเราพูดคุยกันแบบ ส, าสบายๆดีกว่า แล้วก็นั่งภาวนาไปด้วยจับอารมณ์ได้เลยยิ่งดีหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทธโทพุทธโทพวกเราทั้งหลายมีความตระนาสูงมาก บวชตอนอุทิศบูชาบุญคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเป็นการบูชาบุญคุณของท่านมันไม่มีอะไรบูชายิ่งไปกว่าการที่เราสละเพศมาบวชเพื่อบูชาบุญคุณของท่านเพราะมีอนิสงส์มากพอเราเข้ามาแล้วหรือว่าเราเข้าสู่เพศพระมจรัญ ข้าสูเผร่มผ้ากาสาวพัดมีสีสีจีวรเป็นรงชัยถ้าคนมีความรู้สึกรักเพศด้วยมีความรู้สึกรักศีลด้วยจะมีกำลังใจมากมายทีเดียวรักเพศหมายความว่าโกนผมโกนคิ้ว นุ่งเหลียงผมเหลียงอินตาบาดขบชันมีวินัยกำกับควบคุมในช่วงระยะเวลาที่สั้นก็ตามแต่พวกเราได้รับความรู้ความเข้าใจตลอดเพราะครูบาอาจารย์ท่านพยายามป้อนให้เราคอยเราตั้งอกตั้งใจตอนนี้เรานั่งภาวนาไปด้วยเรานั่งฟังธรรมะไปด้วยแต่เราพูดธรรมะ อาจจะไม่มีรสชาติาเหมือนอาจารย์เยื้นอาจารย์เยืนท่านมีรสชาติของท่านเราก็พูดแบแนวแบบแถวของของเราเนี่แหล ะ, ะให้เราภาวนาให้ใจได้รับความสงกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่าลืมว่าพุโทโธเนี่ยถ้าเรากําหนดอยู่กับอารมณ์เดียวคือพุโทโธเนี่ยมันเป็นสมถะถ้าเราพุโทโธด้วยเรายย้อนไปดูจิตด้วย นี่มันเป็นวิปัสนามันเป็นมหาสสถีปรฐานได้ทั้งสองอย่างพุโทโธอยู่กับอารมณ์เดียวก็ เ, เป็นเหตุให้ใจเราได้รับความสงบใจของเราว้าวุ่นกับิีเดชของตัณหามันแผลริบมาที่ตาที่หูที่จมูกที่นิ้นที่กายแล้วก็ที่ใจ ไปเกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงกับกลิ่กับรถกับสัมผัสมันแผลงฤทิมาที่นี่จิตของเราเลยว้าวุาว่นขุ่นมัวไปตามริธิ์อาํานาจของตัณหาอย่หรือว่าตัณหาคือสมุทยัยเราตั้งประเด็นไว้เลยตัณหาคือสมุทยัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เรารักสุขเกลียดทุกข์เราต้องตั้งประเด็นไปที่ตัณหา เราต้องการให้จิตของเราสงบรับจากอันหาเราจรึงบริกรรมให้ใจได้รับความสงบพุโทโธพุทโธแต่ต้องมีสติกำ ก, กับจดจ่อต่อเรื่องพุทโธกับจิตของเราเป็นอันหนึ่ ง, งเดียวกันพุโทโธกับสติกับจิตของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพุทโธพุทโธพุทโธเป็นคำดำริ อะไรเป็นผู้ดำริจิตเป็นผู้ดําริพุโทโธพุโทโธพุทโธถ้าเราไม่ย้อนมาอุจิตของเราเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธอย่างเดียวจิตขเราจะเริ่มสงบคือมันอยู่กับอารมณ์เดียวเป็นสมถะถ้าเราพุโทโธด้วยเราย้อนมาที่จิตของเรากําหนดจดจ่อดูว่ามาดูผู้ดําริว่าพุโทโธ จดจ่อมาที่จิตพุโทโธแล้วก็จ่อมาที่จิตพุโทโธแล้วก็จ่อมาที่จิตนี่เป็นเรื่องของกหาสติมันสามารถปิดกั้นกิเลสตัณหาสามารถปิดกั้นกระแสของกิเลสของตัณหาเราเรากําหนดจดจ่อลงไปเดี๋ยวนี้เราจะทราบเดี๋ยวนี้เราจะเข้าใจเดี๋ยวนี้เพราะคนเรานั้นมีใจหนึ่งเดียวพราะเรามีใจหนึ่งเดียวเสร็จแล้ว ทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามมาเราก็สมมุติตามอาการทั้งหลายทั้งปวงวัตถุอยู่รอบข้างตัวเราแม้แต่กิริยาอาการที่มีอยู่ภายในจิตของเรามันก็เป็นกิริยาอาการที่เราสมมุติเรียกตามกิริยาอาการของมันภาคปฏิบัตินั้นท่านไม่ให้ติดคําสมมุติท่านให้พยายามย้อนมาดูกิริยาอาการที่จริงแท้จริงของมัน เช่อย่างเราดเป็นพุทโธพุทธโทธโย้อนมาอยู่กับครูพวกเราสติกําหนดจดจ่ออยู่นี่จิตของเราจะเริ่มสงบจิตเราสงบปัญหามันเข้าไปแทรกจิตเราไม่ได้สงเละเอียดเข้าไปลึกเข้าไปละเอียดเข้าไปลึกเข้าไปละเียดเข้าไปลึกเข้าไ ป, าไ ป, าไปจนทิ้งคําคําที่เราดําิดพุทโธพุทโธเรียกท่านเรียกว่าวิตกวิญญาจนจิตมันทิ้งคํา คำอาพุโทโธพุธโธพอมันเริ่มอิ่มมันจะเริ่มทิ้งคำว่าพุโทโธแต่มันอิ่มและคิดไม่ไปไหนคิดไม่ไปไหนในในขณะที่จิตสงบนั้นนะ่ะมันก็มีความสุขอยู่นนมันเริ่มอิ่มภาษาตามหลักภาษาท่านเรียกว่าปีติปีติมีความอิ่มเราลองทำให้ได้รับความอิ่มลองดูถ้าทำต่อเนื่องจิตของเราอยู่ ตันหาแทรกไม่ได้จิตของเราจะเริ่มอินกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยกินไปร่อยจนทิ้งคำว่าพุโทโธทิ้งคำดำริคาว่าพุโทโธแต่ว่าจิตของเราไม่ไปไหนจิตอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับปีติอยู่กับอาการของกายของเราละเอยียดนึกเข้าไปอีกทิ้งปีติอยู่กับความสุข ละเอียดนึกก็ไปอีกทิ้งความสุขเหลืออุเบกขากับเอีกัคคตาว่างสว่างโปรนี่คือจิตของเราละเอียดนึกก็ไปเรื่อยแค่พุโทโธเราประคองประคองประคองเนี่ก็คือสัมปชัญญะสติกำกับสัมปชัญญะประคองวิตกวิจารณ์วิตกความตึกวิจาร์บามตรอบประคอง อะไรมาประกอบกับสติของเรามาประกอบสติกับจิตกับพุทโธกับอะไรต่ออะไรมันเป็นอันเดียวกันกับจิตของเราอย่าลืมว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิต ด, ดวงเดียวจิต ด, ดวงเดียวแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเรากิริยาอาการทุกอย่างของกายของวาฏจาของใจล้วนปรากฏจากจิตล้วนเกิดขึ้นที่จิตเราตั้งใจปฏิบัติเราหมุนมาตรงนี้ เราได้รับความสุขเร็วเราเราได้รับผลเร็วรลองทาเลยจิตว่าเราจะไปไเพื่อเื่อนสนุกจิตที่สงบนั่นแหละคือจิตที่มีพลังจิตที่สงบคือจิตที่มีพลังสมถะนั้นนะ่ะมันมีพลังในตัวสงบเรื่อยๆสงบเรื่อยๆ เ, เป็นพืชเป็นบาทเป็นฐานกลายเป็นผู้มี สมาธิแนบแน่แนมั่นคงเป็นจิตพร้อมพร้อมที่จะมาพิจารณาให้เห็นเหตุเห็ น, หนปัจจัยของสมุทยัยไม่งั้นเราไม่รู้เงื่อนงำของมันไม่ต้องพูดถึงเงาของมันไม่เห็นดอกไม่รู้จักไม่ต้องไปพูดถึงตัวมันไม่แต่เงามันก็ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นพุทธิย้าท่านจึงใหเ้เราให้ทําให้ใจของเราได้รับความสงบเมื่อใจของเราได้รับความสงบสัตย์จะทำหยับหยาบมันจะเริ่มปรากฏกับเรา ความรู้สึกเนือความรู้สึกตัวความเป็นตัวของตัวความเป็นอิสระเสรีมันเริ่มปรากฏกับเรานี่คือสัจธรรมหยาบหยาสัจธรรมพื้นพื้นมันจะเริ่มปรากฏกับเราเมื่อเราเอาจิตที่สงบเนี่ไปพิาพาจารณาครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าในเมื่อเราได้รับความสงบแล้วทักให้พิจารณาเราได้รับความสงบแล้วทักให้พิจารณาไม่ใช่ต้องรอให้เราได้ชาตที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เก่อนค่อยมาพิจารณา โดยเฉพะลงตาท่านสอนให้สมถะวิปัสสนาไปถึงคราวที่เราสมถะเร า, มาสมถะให้เต็มที่ให้จิตของเราความสงบเมื่อจิตของเราอิม่มเอิบขึ้นมาตั้งใจภานาตั้งใจพิจารณาก็ให้ตั้งใจพิจารณาให้จริงๆตั้งใจพิจารณาก็คือดูกิริยาอาการของจิตไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ดูกิริยาที่มันสงบอยู่หนึ่งเดียวให้ดูกิริยาที่มันยักย้ายผันแปร ใช้จิตของเรานเนี่ยแหละพุโทโธพุโทโธดูมาที่ลมก็ย้อนมาที่จิตก็ได้พุโทโธดูมาที่ลมแล้วก็ย้อนมาที่จิตก็ได้หมายความว่าเราให้สงบอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวก็ได้เราจะพิจารณายอ้อนก็ไปยอ้อนกลับมาก็ได้ทั้งสองอย่างนี้สามารถสงบระงับดับตัณหาได้ตัณหาที่พูดถึงนี้คือตัณหาใหม่ ตันหาเก่านั้นะมันส่งเรามาแล้วทุกพวกเราทั้งหลายเกิดมาตั้งแต่กับกันโบรชาติหนเราก็ทราบไม่ได้แต่ตันหามันส่งเรามาแล้วตันหาส่งเรามาแล้วในเมื่อมันส่งเรามาแล้วมันก็มีกระบวนการที่จะผลิตตันหาใหม่ให้เกิดขึ้นอคอยเป็นรูปเป็นหลานเป็นเลนคอยสนับสนุนคอยสืบช่วงเผาพันุ์เข้าหมัาไม่ต่างอะไรกับพืชกับพันของสัตว์อ ไม่ต่างอะไรกับพืชกับพันธุ์ของต้นไม้เราดูต้นไม้มันมีหมากมีผลมันมีบเล็ดคอยที่จะสืบพันธของมันต่อไปสัตว์ของเราก็เช่นเดียวกันพวนะกลบพวกอะไรมันก็มีไข่มีอะไรสืบพันธุมีพ่อมีแม่มีลูกสืบไปเรื่อยสืบไปเรื่อยสืบไปเรื่อยตังหาในหัวใจของเรานี่เป็นรากเน่าเกินต้นต่อที่จะผลิตพันให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา นเนื่อว่าตันหาเก่ามันส่งเรามาแล้วใครเป็นคนส่งมาตันหะในหัวใจของเราตันหานี่คือสมุทัยนะถ้าแปลตรงๆแล้วว่ า, าความอยากความอยากที่เราสังเกตเห็นได้ง่ายเราย้อนไปดูจิตเราย้อนไปดูเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้ตอนนี้เราย้อนไปดูทิ้นะ่ะให้เราพยายามสังเกตจับความอยากในหัวใจของเราจับความอยากให้ทัน เมื่อเราจับความอยากทันแล้วเราก็วิจารณ์วิจัยไตรกวนดูความอยากแบบนี้เป็นความอยากโดยธรรมหรือเปล่าหรือเป็นความอยากโดยกิเลสเช่นอย่างเราอยากให้ใจได้รับความสุบอยากดํารงสติให้ต่อเนื่องอยากตั้งใจบริการพุทโธพุทโธพุทโธให้จิตได้รับความสุบอยากได้อัดได้คำอยากได้มรรคได้ผลอยากได้ยิ่งผา อยากทำบุญอยากให้ทานเหมือนอยากพวกเราอยากบัวนี่แหละความอยากแบบนี้ท่านว่าเป็นมรรคเป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติท่านให้เรารีบส่งเสริมทันทีขอสาคัญให้สังเกตดูความอยากทีใจของเราที่เราพูดทั้งหมดพูดทั้งหมดนี้เป็นแนวปฏิบัติเป็นแนวปฏิบัติที่ทุกคนทำตามทาตามแล้วจะมีผลปรากฏในตัวในตัวเองเป็นแนวปฏิบัติ <c oughs> <c oughs> มันส่งมาแล้วอมันมีกระบวนการเข้ามาเป็นกระบวนการให้เกิดตัณหาตัณหาเหล่านี้เราใช้สติกํากับจดจ่อเข้าไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนหลักมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานกับหลักพิจารณาในแง่ความวิปัสสนามืนอนกันเดียวกัน อย่างเยื้อนท่านว่าสติวิปัสนาสติวิปัสนาอย่างเยื้อนท่านใช้คำนี้นะมานใช้คาว่าสติวิปัสนาเราเคยฟังท่านเห็นเราฟังเรานั่งฟังสติวิปัสนาวิปัสนานี้คือวิปัสนาที่เป็นงานที่เราจากเราทำขึ้นทูไถงานเหล่านี้แหละทูไถไปทูไถไปทูไถจนเป็นจนเป็ น, ปนวิปัสนาจนเกิดปัญญาคล่องแค่วเกิดวิปัสนาญา เกิดยาณทัศนะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจขึ้นมาแต่เราจะต้องทํางานซะก่อนไม่ใช่แค่เรารู้หนทางแล้วจะเกิดผลปุ๊บปั๊บขึ้นมาทันทีมันไม่ต่างอะไรกับเราถูไม้เกิดไฟเราถูชิดเดียวเนี่ยไฟจะเกิดไม่ได้ยกเว้นแต่ไฟที่เขาประกอบขึ้นจ็อย่างไม่ขีดชิดเดียวมันติขึ้นมาเป็นไฟได้แต่ประเภทเราเอาไม้ไม้แห้งไปถูให้เกิดไฟเนี่ยถูชิบเดียวติดไม่ได้ ยิ่งเราเอาไม้สดไปถูด้วยแล้วนะ่ะยิ่งเหนื่อยเปล่าไม้สดชุ่มด้วยยายิ่งพวกเราเสพกามด้วยแล้วคําว่าเสพกามเนี่ยมันถูกไปหมดทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสรวมไปถึงกามาราคัปทั้งหลายทั้งปวงเหมือ น, นกับไม้สดด้วยชุ่มด้วยยาด้วยแล้วก็ถูกแช่อยู่ในน้ําด้วยเอามาเสียให้เกิดไฟชุดเดียวเกิดไม่ได้เหนื่อยเปล่า หูไปจนไป่ะตลบปลอกปืนกว่าไม้ฮะไม้นั้นมันจะแห้งกว่าจ ะ, จะติดเป็นไฟขึ้นมาได้เรามาดูนิสัยสัญญาณอินทรีย์ของเราก็เช่นเดียวกันแต่เรารู้ไม่ได้ว่าเราอยู่ลึกเราอยู่ลึกเราอยู่ตื้นใต้ดินเยือนท่านเล่าให้ฟังท่านภาวนาไม่ถึงยี่สิบนาทีมั้งท่านหมดภาระราท่านคงเล่าให้พวกเราได้ยินได้ฟังกันหมดแล้วแหละ แต่แนวปฏิบัติด้วยละเอียดแล้วเราก็ไม่ได้ยินฟังละเอียดเราไม่ได้ฟังละเอียดเราก็พูดตามที่เราได้ยินได้ฟังและก็ได้ถือตามครูบาอาจารย์ประพฤติมาปฏิบัติม า, มาที่มาเล่าสุ่กันฟังนี้มีวิธีการหนึ่งก็คื อ, ค อ, คอทําให้ใจได้รับความสงบทําอยู่อย่างนี้เนี่ในความสงบนั้นมันมีความแปลกปราหลาัชจ่รย์อยู่ในนั้นมีความสุขอยู่ในนั้นตั้งใจฟังและตั้งใจทํานะเอาสติกําหนด จ, จ, จออ่อยาทรงติ่ออกนอก อย่าส่งขีดออกนอกเอาสติกำหนดจดจอ่อกำกับอยู่นั้นให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธหรือมีสติกำหนดจดจอ่อรู้ทั่วพรอ้อยู่นี้แหละมันสงบแล้วมันจอ่ออยู่นั้นแหละนั่งนานๆล้วเจ็บแล้วปวดเราก็เลื่อนจากลรหายใจหรือพุโทโธมาดูความเจ็บความปวดก็ได้หลวงตาท่านจึงให้ดูดูมาที่ความเจ็บความปวด ในขณะที่เราดูมาที่เกี่ยวที่ปวดให้เห็นแย่ว่าเป็นสภาวะธรรมไม่ให้มีอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาถ้าอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาตัณหาโผล่ขึ้นมาคือมันแทรกมันแทรกเข้ามาตัณหาใหม่นี้มันเกิดขึ้นได้จากการที่เราขาดสตินี้เองอเช่นอย่างมันเกิดตาเห็นตาเห็นรูปเกิดวิญญาณเกิดผัสศัเกิดเวทนาคําว่าเวทนานี้มันเป็นเกณฑ์อย่างหนึง่ง ของความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจของเราคือยินดีกับยินร้ายแล้วก็เฉยๆ ท, ที่เเรียก ว, ว่าเวทนาถ้าเราต้องกาจดจ่อได้เราจับจับไปที่ความยินดีจับไปที่ความยินร้ายจับไปที่ความายินดีมันก็หยุดจับไปที่ความยินร้ายมันก็หยุดถ้าหากรับเรารให้ยินดีจนขึ้นหน้าขึ้นตาขึ้นใจนะ่ะปัญหามันกล่อขึ้นเมืเ่อเกิดยินดีแล้วเกิดรักเกิดชอบ เกิดอะไรต่ออะไรสารพัดเป็นเส่นเป็นสายยืดยาวไม่จบเกิดยินร้ายกับอู้อาฆาตพยาบาศพยายามขับพยายามต้อนพยายามที่ปอกให้คนจากความต้องการของเราคือความยินดีกับความยินร้ายความยินดีกับความยินร้ายโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อร่คือการรายงานของจิตของเรามันไม่จำแจ้งชัดเจน มันเป็นการพรางข้อเท็จจริงแท้ที่จริงถ้าหากเราเข้าไปรู้ว่าตากระทบรูป ก, ก็สักแค่ว่าเห็นเท่านั้นเองปล่อยเกิดความอยากคือตัณหาเกิดขึ้นนี่ตัณหาใหม่เกิดขึ้นปล่อยเกิดความปล่อยเกิดความชอบชอบใจตัณหาเกิดขึ้นปล่อยให้เกิดความไมช่ชอบใจตามาก็คือตัณหาเกิดขึ้นชอบใจหรือไม่ชอบใจคือตัณหาเกิดขึ้นที่เรเรียกว่ายินดียินร้ายตราบใดยินดียินร้ายมันรยายงานรับผิดแล้ว โดยเห็นที่เราไม่ได้อยู่ในข้อปฏิบัติเราเจริญเราเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เกิดยินดีเกิดยินร้ายเราสะสมตัณหาหมาไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าหากเราต้องการปฏิบัติเพื่อลดเพื่อละเพื่อผ่อนเพื่อคลายเราจะเริ่มมาปฏิบัติจะเริ่มมารู้จักจะเริ่มมาเข้าใจสิ่งเหล่านี้ครูบาอาจารย์ท่านเกียนไม่ม า, ากพระเดีนพุทธโธต้อไปทําไปทํากัน ดูใบจากท่านใช้แต่ว่าสมาธิปัญญาสมาธิปัญญาบางทีท่านเรียกว่าสมถะวิปัสนาสมถะวิปัสนากับมหาสติปฐานมันอันเดียวกันทั้งนั้นเลยข้อปฏิบัติรวมลงมาที่ใจทั้งนั้นรักษามีสติกำกับอยู่ที่ทวารของเราตาหูจมูกนิ้วใจเห็นสัจธรรเห็นไม่ยินสัจรรยนิน ไม่ให้อัตราตัวตนโผล่ขึ้นมาถ้าตัณหาความอยากโผล่ขึ้นมาทีไรอัตราตัวตนของเรามันโผล่ขึ้นมาเมื่อมีเราทีไรเมื่อไหร่ความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนความถือเนื้อถือตัวอ่าความมีสูงมีต่ําความมีใหญ่มี น, อน้อยมีเล็กมีสูงมีดีมีไม่ดีมีอะไรก็ตามมาเกิดเป็นข้อเทียบเคียงขึ้นมาพวกเราก็เลยมาว้าวุาว่นอยู่แต่กับสิ่งเหล่านี้แหละ เราไม่ทราบข้อเท็จจริงเพราะตัณหามันสวมรอยเข้ามาอันนี้คือแนวความเป็นไปภายในจิตของเราว่าตัณหาภายในหัวใจของเรามันจะสงบระงับดับได้อย่างไรการเจริญก็เจริญไปเรด้วยความสมนุกเราก็ทําต่อเนื่องเข้าไปเรื่อยๆระยะใดเวลาไหนเราต้องการพิจารณาเราก็พิจารณาให้ต่อเนื่องเข้าไปเรื่อยๆอันนี้เป็นข้อปฏิบัติ ทำไปแล้วเราจะได้รับความสงบจิตของเราจะเริ่มแปลกประหาดอัศจรย์เข้าไปเรื่อยความสงบนั้นมีพลังมีอนุภาพในตัวนะสัยพุทธการก็มีได้ทุกขั้นรูปสมาบัติอรมณปสมาบัติดำดินบินบนได้อะไรต่ออะไรได้มีที่มีเองมีอำนาจเหมือนอย่างโตกดาบุตรา拉ระดาบุท่านได้รูปปัสมาบัติอรมปสมาบัติแต่ท่านออกจากกองทุกข์ไม่ได้เพราะท่านขาดปัญญา ขาดบุญญาบา ร, รมีไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราท่านไปเรียนจบภายในระยะเวลาสั้นอาจารย์บอกว่าเรียนเธอเรียนจบแล้วรูปปัสมาบาทอารมณ์ปสมาบัติแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิบัติเพื่อผ่อนคลายเพื่อลดเพื่อละกองทุกข์ในหัวใจย้อนมาดูพระัไพรปิฎกยังมีกองทุกข์เต็มแพ่อยู่ไม่ใช่จะมีกองทุกข์วง ย, าย้า่วิตกกองวลอยู่ในหัวใจเต็มไปหมดพระเชษพระองค์เกีว่าไม่ใช่ แต่อาจารย์อุทกดาบททารดาบทก็ถือว่านี่คือขั้นหนึ่งระดับหนึ่งนี่แหละคือคือนิพพานของเ ข, เขาเขาไปยึดไปถือไปเกอะอยู่แค่นั้นแหละอืตายแล้วไปเกิดในกรมานโลกยังมีพวกมีชาติยังมีอายุจํากัดอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่นิพพานของพระพุทธเจ้ามันเป็นนิพพานของพวกกราวแต่ว่าความส น, นุกงบสูงสุดละเอียดมากเรามาเห็นว่าพระพุทธเจ้า ท่านเรียนจบภายในระยะเวลาที่สั้นเสร็จแล้วอกท่านมาเจริญในคืนวันเปลีนเดือนหกเรเห็นว่าพระองค์มาเจริญวิปัสะนาตั้งแต่หัวข่ําเลยทีเดียวพราะรูปปัสมะบัติปปะะความสงบพระองค์ ท, ทรงเต็มแปร่มาแล้วเรอาใช้ความพิจารณาอย่างเดียววิปัสะนาไปอานาปานสติตั้งแต่หัวค่ําไปไม่นานปฐมญาณเราก็ได้ปุพเพนิบาส า, านุสติญาณเกิดญาณทัศนะเห็นพบเห็นชาติรอดดี กี่กับกี่กันย้อนไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบพอยามท่ามกลางเห็นพวกชาติของสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายเกิดตายด้วยอำนาจของกรรมทั้งพระองค์เองเกิดตายเกิดตายด้วยอำนาจของกรรมทั้งชาติสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายด้วยอำนาจของกรรมเป็นเหตุให้ข้องใจว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดให้ตายกันเอ้พระองค์ก็หมุนอยู่ในนั้นแหละโดยเหตุที่ประไทยของเราสงบ แน่แน่มั่นคงอยู่นั้นแหละสติปัญญาขององก็แผ่เผาเต็มที่เพราะฉะนั้นปัดฉิมยามภายในพระไทยของพระองค์ที่เต็มแพร่ไปโดยดีที่ย้อนไปเห็นนั่นละเอือแห้งหายไปด้วยตักระธรรมหมุนอยู่นั่นแหละจนอาสะวะทั้งหลายเอือแห้งไปที่จะเรียกว่าอาสะวะขยญ า, ยาได้อาสะวะขยญ า, ยาบรรลุถึงขั้นอาสะวะขยญ า, ยา รู้ว่าชาติกเิเลสไปในปรพ ร, ระไทยของพระองค์หมดพระไทยของพระองค์โล่งสว่างสวยปลอดโปร่งไม่มีอะไรข้างคาอยู่ในพระไทยพระรองค์จึงพอพระไทยเนี่แต่อุทกกระดาบุตอลากระดาบุตไปไม่ถึงพระพุทธเจ้าด้วยบุญญาบาตมีที่พระองค์ทรงสร้างมาจึงเป็นเหตุให้พระองค์ต้องขวนขวายแล้วก็พบเจอในที่สุดนี่เป็นเหตุให้พระองค์ได้วิชาความรู้เหล่านี้มาสงบระงับดับตันหาได้ ภพชาติของพระองค์กับภพบชาติของพวกเราก็พัฒนามาเหมือนกันเกิดมาตั้งแต่กับการอุเนลนชาไหนเราก็ทราบในดัแต่ว่ามีผู้รู้ดวงเดียวนี่แหละพัฒนามาพัฒนามาไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นมีจุดจบมีที่จบไหมไม่มีพระพุทธเจ้าไม่บอกเบื้องต้นบอกว่าอวิชาจะแล้วพันมาที่สังขาร อย่าลืมว่าใจของเราที่ประกอบไปด้วยกิเลสนั่นแหละคือกองสังขารกองสังขารที่เรามาแยกกองสังขารรูปก็คือร่างกายของเราคือกองสังขารถ้าให้พิจารณาถึงความไม่แน่นหนามั่นคงความไม่คงทนของอัตภาพร่างกายของเราไม่คงทนต้องเปลี่ยนไปไม่อยู่กับที่คือทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจให้ดูให้เห็นด้วยด้วยยาด้วยยาณัจสนะ จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายใงพุติเจ้าท่านมองมองจนเห็นจนละได้จนปล่อยได้จนวางได้สามารถแยกแยกตัณหากับผู้รู้ของเราออกจากกันได้เมื่อก่อนนั้นมีผู้รู้กับกองสังขารคืออวิชชาตัณหาเหล่านั้นมันปนเปื้อนมาด้วยปนเปื้อนมาด้วยเห็นใดพระองค์ก็ส่งชี้ไปที่อวิชชาวิชา อวิชชาหมายความว่าเราไม่ได้ทําสติให้เกิดความต่อเนื่องให้สว่างโรู้พอพระองค์สอนให้เอาสติเอาสัมมัชนยะมากากับให้ผู้รู้เราสว่างโรู้ต่อเนื่ออวิชชาก็ดับเรารู้ก็ได้ในขณะที่เราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธถ้าหากเรามีสติกำกับรู้อยู่พุทโธจะอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ถ้าหาก สติของเราขาดทีไรเมื่อไร่อวิชชามันก็ครอบโมหะมันก็ครอบมันดึงจิตของเราไปใช้อย่างนื่นแล้วมีเราพิจารณาสังเกตสังกาได้ว่าสติมันเป็นตัวปลกุกจิตของเราให้ตื่นทําให้กิเลสตัณหาแทรกเข้ามาไม่ได้กิเลสตัณหาแทรกเข้ามาไม่ได้ในเมื่อเราขาดสติขาดสัพพัญญะอวิชชาตัณหากระวนเพื่อนเข้ามาแทรกเข้ามาได้ เพราะฉะนั้นคำว่าอวิชชาเป็นประจัยเกิดสังขารจึงเป็นหลักปรัชญาชั้นเยี่ย่งทีเดียวมันเป็นเหตุส่งเราให้มาเกิดอยู่แล้วแล้วก็เป็นเหตุให้เราพิสูจน์ทดสอบได้ว่าโอ้ในขณะที่เราเจริญเพื่อดับตันหาใหม่นั้นอย่าลืมว่าก่อนที่เราจะดับตันหาเก่าได้เราจะต้องหยุดให้ตันหาใหม่สงบระนับดับลงไปซะก่อนให้หยุดซะก่อนไม่วิ่งไปตามรูปตามสีตามกลีตามรถตามสัมผัส ให้กำลังจดจอรู้เท่าเทียบกับมันก็เรามืองกะเราอุดรูเรือรั่วในระหว่างที่เราพายเรือข้ามฟากแต่เรือของเรามันรู้รูรมีรูน้ําทะลุพลุ่เข้าไปในนั้นนะเราอุดรูที่มันเรือเรือมันทะลุนะ่อุดไม่ให้น้ําใหม่มันเข้าไปน้ำเก่ามันมีอยู่เราก็พิจารณอุดไม่ให้น้ําใหม่เข้าไปอน้ำเก่ามีอยู่เราพยายามพิจารณาต่อพิจารณาต่อ สมมติเราอุดอยู่ปั๊กน้ำใหม่ไม่เข้าน้ำเก่าเราพยายามวิทออกเราดูอุปมาอันนี้ตันหาใหม่เราพยายามระงับไม่เกินตันหาเก่าเราก็พยายามขุดคุ้ยก็เหมือนกับน้ำเก่าที่มีอยู่ในหัวที่มีอยู่ในตัวกันั่นแหละเราวิทออกไปเท่าไหร่มันก็หมดไปเท่านั้นวิทออกไปเท่าไหร่มันก็หมดไปเท่านั้นอืมนี่คืออุ่มมาเพราะฉะนั้นตันหาในหัวใจญ่ของเราหมดไปได้ ถ้าเราทําได้อย่างนี้วิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านสอนตั้งอึงให้เ <c oughs> จริญสติเจริญสัมผััญญะคันติโสระจักะความอดความทนความาอะไรล่อมเข้ามาหลอมรวมเพื่อให้กลังเพื่ออินทรีย์ของเราในแก่กลา้าขึ้นมาเรื่อยเรืยวิสติสติมสีสัมผััญญาความรู้สึกเนื้อความรู้สึกตัวความบอดความทนความพระชับประคองความมุ่งมั่นผู้เขียนสร้างงานนี้ให้เกิดขึ้นในหัใจของเรา มันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายวพวกเราฟังแต่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าผลให้ฟังแป๊บๆแป๊บๆเดียวะท่านเอานั้นมาเล่าให้ฟังเอานี่มาเล่าให้ฟังแต่เวลาเรานึกไปถึงหัวใจของเราเราเมื่ามื่อตึ้บเราไม่มีช่องทางที่จะไปให้เราคิดว่าคนที่ท่านเล่าให้ฟังนคือคือเรื่องของท่านท่านเอามาเล่าให้เป็นออบข้อปมหมายให้เราได้ยินได้ฟังให้เกิดกำลังใจแต่แนวปฏิบัติเป็นเรื่องสําคัญที่สุด ถ้าเราขันแนวปฏิบัติเราไปไม่ถึงเราไปไม่ได้ท่านทําท่านทําปุ๊บปับ๊บท่านได้ได้ง่ายได้ทันทีเพราะว่าสติปัญญาของเราภูมิหลังของเราไม่เท่ากันบางคนก็ภูมิหลังทั้งบางมาแล้วบางคนกลางๆบางคนแบหรือก็ไปถ้าอยเทียบกันไม่ต่างอะไรกับบวัวสีเหล่านั่นแหละนะปกติตันยูวิปจิตตันยูในยะปทัพปรมา พระธรรมาอยู่ในคลอในตรงคือไม่สนใจอะไรแล้วก็เป็นวิชาที่จิตหมดทั้งดวงแต่จะเทียบกับเหมือนกับนู้นบัวอยู่จมอยู่ที่ตรงที่โคลนนะจะโปร่ออกมาได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แต่หลวงตาท่านเทศท่านอุปมาให้อยู่ในบุคคลเราคนเดียวกันหัวใจดวงเดียวนี่แหละให้อุปมาว่าเรา ล, ล, ล, ล, ล้มลุกลุกคลาเหมือแกั บ, บัวบัวที่ตรงที่โคลอนอยู่ในที่ตรงที่โคลน เราพยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเองขึ้นมาเรื่อยขยับขึ้นมาเรื่อยอมาเป็นเนยยะเนี่ยพอจะเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจา้าเรจะพิจารณาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจขยับเข้าไปเรื่อยกลางน้ําเป็นเนยยะขยับไปเรื่อยสเสมอน้ําเป็นวิปัจสตันอยู่ขยับไปเรื่อยโล่ขึ้นพ้นจากน้ําเป็นปุคติตันอยู่ภายในหัวใจของเราดวงเดียวนี่แหละเราฟังอุปมาอ ย, อย่างนี้เราได้ไประโยชน์ เอามาเทียบที่หัวใจของเราเราพยายามล้มลุกคลกคานแล้วพยายามปลุกฟังตัวเองพยายามใช้สติใช้สัมผัสัญญะใช้ความปวดความผโความภาคความเพียรประคับประคองตัวเราไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยงานที่เราทําก็มีงานอีกแค่นี้แต่ที่เราทําให้มากเอาเป็นเอาตายสู้ก็คือฝึกซ้อมเช่นอย่างสมถะฝึกซ้อมอยู่นั่นวันนี้สนุกแค่นี้พรุ่งนี้ก็รักษาได้เท่าเดิม วันนั้ขยับไปอีกวันนัขยับไปอีกมีไปทั้งไปสม่ําเสมอมีทั้งหนักหน้าเข้าไปเรื่อยมีทั้งสม่ําเสมอมีทั้งหนักหน้าเข้าไปเรื่อยถ้าหากจิตของเราไม่สงบโอกาสที่จะทําให้ยาในทะัศนะของเราเกิดความรู้เกิดปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยากเหมือนอย่างไม้สดที่จะเปลีให้เกิดเป็นเปลวไฟเป็นได้ยากไม้ที่จะเปียให้เกิดเป็นเปลวไฟได้นั้นจะต้องเป็นไม้ที่แห้ง จิตของเราที่สงบจากตันหาเหล่านั้นนั่นแหละสงบด้วยสมถะก็ตามสงบด้วยวิปัสสนาก็ตามเหมือนกับเราพยายามเอาไม้สดๆนั้ไปตากให้แห้งจิตของเราสงบมีสมาธิหรือจะสงบด้วยปัญญาก็ตามเหมือนกับไม้ที่แห้งไม้แห้งแล้วก็ตามเราไปสีสีไม่สม่ําเสมอสีสีสีแล้วก็หยุดสีสีสีสีแล้วก็หยุด หมายความว่าความเพียรของเราไม่ต่อเนื่องความเพียรของเราไม่สม่สําเสมออไฟที่มันค่อยสะสมเกิดตัวเป็นเปลวไฟขึ้นมามันเกิดไม่ได้ถูถูถูถู ถ, ถ, ถ, ถูแล้วก็หยุดเหมือนเราทำทำทำทำแล้วแล้วก็หยุดทำทำทําทำแล้วก็หยุดที่มันจะเกิดขึ้นเป็นเปลเวไฟขึ้นมาได้คือทําอย่างต่อเนื่องเป็นประเภทไม้แห้งอยู่บนบกด้วยไม่แช่อยู่ในน้ําด้วยเป็นไม้แห้งด้วย และถูอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องด้วยถู ถ, ถ, ถจนมีสั ญ, ญลักษณ์ไฟปรากฏมีควันมีเขเหมาดำดำมีฐานแดงแด ง, แดงอาปากเปา่าพุ่ขึ้นมาได้ไฟใช้ความรู้ความเห็นความเข้าใจที่จะเรียกว่าปัญญาปัญญายาหรือญาณัทสนะเปรียบเสมือนเปลวไฟเปลวไฟกับุ้นไม้ที่เราขัดเสียให้เกิดให้เกิดเป็นไฟนั้น มันคนละอย่างกันไปเลยรุ่นไม้ที่เราไปขัดเสียงเกิดไฟกับเปลวไฟที่ที่ผุดขึ้นมานี่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นความรู้เหล่านี้เป็นผลที่บูรากฏขึ้นถ้าเหตุไม่พอผลไม่เกิดเหมือนอย่าเราขัดสีขัดสีไม่พอจะเกิดเป็นเปลวไฟเปลวไฟก็เกิดไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังพวกเราอยากได้อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากอะไรเหมือนท่านทั้งหมด แต่เราย้อนมาดูที่ตัวเราเราเป็นประเภทไม้สดชุ่มด้วยอย่างหรือเปล่าแล้วก็ยังแช่อยู่ในน้ำอีกนี่บางทีไม้ไม้สดชุ่มด้วยอย่างอยู่บนบกไม้สดชุ่มด้วยอยาอยู่บนบกเหมือนเราเอากายออกจา ก, การามแล้วเหมือนเราเอากายออกจา ก, การามแล้ว เรายังไม่เอาใจออกจากการรมแต่ไม้มก็ยังเป็นไม้สดอยู่ใจของเราก็ยังเป็นใจสดอยู่เพราะยาเรายังไม่ออกจากการรมคาว่าไม่ออกจากการรมหมายความว่าใจของเราไม่สงบเราพูดอย่างนี้ทําให้เราเห็นความสําคัญของความสงบของใจเราเรายังไม่ตำมีนะิสมถะนะสมถะเหมือนไม้แห้งที่เราถวยเกิดเป็นไฟถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้เราได้ข้อปฏิบัติได้แนวปฏิบัติ ได้ประมาณมาจำกับกับข้อปฏิบัติของเราโอ้เรายังเป็นไม้สดชุมด่มเลยอย่างยิ่งเราไปบริธโภคกรรมอยู่เนืองนิดอยู่แล้วโอ้ยังแช่อยู่ในน้ําอีกมันเป็นไม้เปียกเหนื่อยเปล่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเอาไปฉีเกลือไฟเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าคำว่าเหนื่อยเปล่าในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีวิบากผลเพิ่มนะมีทําทุกครั้งเรามีผลเพิ่มเหมือนอย่างที่พวกเราทํำนี่แหละมันมีผลเพิ่ม คราวนี้เราได้แค่นี้คราวหน้าเราขยับไปเรื่อยคราวหน้าเราขยับไปเรื่อยหาวิธีทำตรงนี้บ้างทำตรงนั้นบ้างเดินทุ่นลงบ้างเข้าปา น, น้นบ้างเข้าเนื้อถ้ำนี้บ้างขยับไปเรื่อยเหมือนครูบาอาจารย์ท่านเดินตุดนลงท่านเดินเพื่อหาข้อแตกตา่างอให้เกิดความรู้เกิดความขยายเพื่อเกิดความเข้าหน้าทางหน้านจิตใจของเราเราฟังง่ายแต่เราทำตามได้ ย, ยากแต่ถึงกระ น, นั้นก็ตามเราสามารถ ทำเหตุให้เพียงพอและเกิดผลตามที่เราพประสงค์ได้เนี่ยเราต้องสงบไม่สงบเหมือนกับไม้ของเรายัางสดเรามีกายยังไม่ออกจากกามแต่เราสามารถเอาจิตออกจากกามได้สมมติอย่างเราออกไปเป็นคราวาสเนี่ยหมายความว่าเรามีกายมีกายไม่ออกจากกามแต่เราสามารถเอาจิตออกจากกามได้เช่นอย่างเราอยู่ครองเรือ น, นั่นแหละ เราพยายามทำใจให้ได้รับความสุบพระ ย, ายาพุทธเจ้าท่านยังไม่ทรงจํากัดว่าศิลห้าสินแปดสิสิบสิน 8, สองร้อยยสบเจ็ดขอให้ใครตั้งใจรักษาศินอย่างสินห้าเนี่ยตั้งใจรักษาได้เด็ดขาดจริงจังก็สามารถบรรลุมากบรรลุผลได้ทําใจได้รับความสุบแต่ข้อสําคัญที่สุดใจจะต้องสงบสงบด้วยสมถะก็ตามสงบด้วยวิปัสสนาก็ตามสงบด้วย มหาสติหลักมหาสติปัตฐานก็ต่างใจจะต้องสงบไม่ปรุงวาวุ่นขุนโมเกี่ยวกับเรื่องตันหาราคาในหัวใจของเราไม่ติดไม่เกี่ยวข้องไม่ผูกพันเกี่ยวกับเรื่องรูป เ, เรื่องเสียงเรื่องกลรีมเรื่องรถอย่าลืมว่าใจของเราที่สงบก็คือสงบจากสิ่งเหล่านั้นแหละถ้าใจของเราไม่สงบมันก็ไปผูพันกับรูปกับเสียงกับปร่นกับรถกับสัมปัดเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอาหารของมันว่า ม, มันหิวมันก็หิวไปออกไปหากินอันนั้นแหละเพราะว่าพอเรา ให้จิตของเราอยู่กับอารมณ์ธรรมเป็นอาหารของธรรมเป็นอาหารของใจพุโทโธพุโทโธพุโทโธมีสติกำกับเรื่อยๆหนึ่งเหมือนเราบริโภคเป็นคำเป็นคำเป็นคำสักหน่อยหนึ่งก็อิ่จะเริ่มอิ่มเหมือนเรารับทานอาหารแนละ้มันเริ่มอิ่มพออิ่มแล้วเราไม่ต้องนึกพุโทโธจิตก็อยู่ในจิตสงบจิตสงบคือจิตออกจากกามเราจับให้ได้จิตสงบคือจิตออกจากกาม เราฟังอย่างที่เราเห็นความสําคัญของสมถะเพราะฉะนั้นสมถะเราหยิ่งชิงไม่ได้ลงตาท่านจยู่ให้เราเดินไปเหมือนเท้ า, าขวาเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเดินไปด้วยขาสองขาเดินไปเดินไปเดินไปเหนืน่อยเหนื่อยก็หยุดคําว่าหยุดในที่นี้หมายความว่าหยุดเอาสมถะให้จิตของเราได้รับความสงบเพราะในความสงบนั้นได้กําลังมันได้กําลังคือกําลังใจกําลังตานนั่นปีนใจเมือ่อเรารับฐานอาหาร เรารับทานอาหารพอร่างกายมันหิวมันหิวในขณะที่มันหิวนั้นมันหมดแรงด้วยทีนี้เมื่อเรารับทานอาหารมันอิ่มมันอิ่มด้วยมันมีกำลังวังฉาด้วยเราสามารถเอาเรี่ยวแรงนั้นไปทำการทำงานอีกได้จิตของเราที่มีกำลังมีกำลังด้วยมีคุณสมบัติด้วยนอกจากนั้นแล้วมีความสุขแปลกประหาศอัจฉรยะเป็นความสุขที่ไม่ไม่อิงความยินดีไม่อิงความถึงร้าย เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบระนาจากกิริยาของตันหาที่มันบีบในหน่วย ใ, ใจของเรานี่เราพันอยู่แค่นี้แหละให้พวกเราพยายามจับหลักให้ได้อเ mm hmm. มื่อเราทําตัวให้ใจให้ใจของเราได้รับความสงบเหมือนกับไม้แห้งแล้วพยายามสีให้เกิดไฟแล้วพยายามใช้ความภาคความเปลี่ยนทําให้ต่อเนื่องนั่งนานๆเดินนานๆนั่งภาวนา น, นานๆ กำหนดจดจ่อทุกอิริยาบถยืนเอิญ น, นั่งนอนเพราะฉะนั้นท่านกิงสอนให้เราเจริญมาหาสติปัฏฐานเอาสติมา ก, กำหนดจดจ่อกับกิริยาอาการของจิตที่มันจะเพิ่งแสดงออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจับตัวเดียวนี่แหละจับผู้รู้ของเราตัวเดียวนี่แหละมันแสดงออกมาทางตาไม่ได้เพราะเรากำหนดจดจอ่อทางหูต้องจมูกทางนี้นทางกายทางใจไม่ได้ใจมันก็กสนุก เมื่อใจสงบแล้วมันก็จะเริ่มแปลกประหลาดจังมีกําลังใจเราทําอยู่อย่างนี้แหละคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่จะที่จะเพิ่มเกิดขึ้นก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเราได้กําลังความสมงบของเราจะเพิ่มขึ้นความรู้เห็นความแปลกประหลาดจังความรอบรู้กับกิริยาอาการภายในจิตของเราจะเริ่มรอบรู้ขึ้นบางคนก็มีจินตนาการเห็นนิมิตน แต่ว่าวิธีการที่เจริญมหาสจิปัญฐานนั้นตัดสิ่งเหล่านั้นออกทั้งหมดเราไม่มีนิสัยออกรู้ออกเห็นข้างนอกก็ตามโดยเห็นที่เราเจริญตามหลกักอันนี้โดยตรงเป็นกระแสรตรงเป็นกระแสรตรงเราไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีอภิญญาไม่มีอะไรอย่างอื่นก็ตามขอให้เรารู้เท่าทันกระแสของตัณหาเหล่านี้เราสามารถสงบระงับดับลงได้ที่พพุทธเจ้าท่านสอน ไม่มีหลักการใดที่จะมากและครอบคลุมทั่วเหมือนอย่างหลักของมหาสติปัฏฐานท่านจึงเทียบกับรอยเท้าของช้างมันใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายทั้งปว ง, งมหาสติปัฏฐานพุทธิยถาท่านทรงแสดงเพราะกราวาในชอบอ้างปุขกิจจามาอย่างผุกกรณียามีอิทมากมีภาระมากไม่มีเวลาที่จะประกอบจึงเอามหาสติปัฏฐานมาสอน ให้เราทํางานไปด้วยเจริญสมาติปัฏฐานไปโดยเจริญอย่างไหล้างจากมีสติกำหนดจดจอยอยู่กับงานอันเดียวเขียนหนังสือจออยู่กับงานนันเดียวซักผ้าจออยู่กับงานอันเดียวกวาดก็มีสติกำหนดจดจออยู่กับงานอันเดียวลุกยืนมีสติกําหนดจดจอเดินมีสติกำหนดจดจอนั่งมีสติกำหนดจดจอยอยู่กับเรื่องเดียวในขณะที่เราทําแล้วก็เราอยู่กับเรื่องเดียว การทํางานเหล่านั้นอิริยาบถทำเหล่านั้นเท่ากับเป็นการปฏิบัติทำไปในตัวเพราะเรามีสติเรามีสัมผัญยัย ก, กํากัดเนี่ย <Yeah. S 1> นี่เราพูดตามแนวตามหลักของฮัสติปัฏฐานมากำหนจดจุดจบเราไม่มีฤทธิ์มีเดชเราไม่มีนิสัยที่จะออกรู้ออกเห็นให้เกิดฤทธิ์เกิดอีกคือภิญญามีตานอกตาในาตาอะไรเราไม่ต้องไปคิดถึงใครมีนิสัยหากเป็นเองใครไม่มีนิสัย มาตรงนี้หาเรามีช่องาาทางบอจะเล็นลอดออกไปได้มีผลพอที่เราจะลืมตาอ้าปากได้ไม่หมดหวังในข้อประพฤติในข้อปฏิบัติของเราขอให้พวกเราตั้งหัตั้งใจเราบวชคราวนี้เราเราคงได้ความรู้ความเข้าใจได้น้อมนำไปถือตามไปประพฤติตามไปปฏิบัติตามเพราะเร า, เราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านมาแนะ มาอบมารมทุกทุกอย่างทั้งแง่มุมของอธรรมะภาคปฏิบัติทั้งแง่มุมของวินัยปฏิบัติการรักษาศีลสองรยเกของเราอวาดปฏิบัติของเราให้เราตั้งหัวตั้งใจทา <c oughs> พระบาทสมเร็จพระเจ้าอยู่ห <c oughs> ัวที่เราบวชอุทิศเป็นพระราชุิพนธํสำหรับพระองค์นั้น เราระลึกถึงบุญระลึกถึงคุณของท่านเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระองค์จะาหลักธรรม ะ, ะที่เป็นธรรมะที่ท่านให้เอามาแนบจิตอยู่กับจิตอยู่กับใจขอ ง, ของเราธรรมะอันนี้คือหลักหลักครวัธรรมนะั่นแหละที่เรียกว่าอธิฐานธรรมอธิฐานธรรมศักยธรรมะขันติจารคัม ท่านอามาสอนให้เราให้พวกเรายึดธรรมะหลักธรรมะเหล่านี้ที่ท่านพระบาทสมเดพระเจ้าอยู่วัวท่านอามาสอนพุทธบริษัทสอนประสมนีกรของพระองคอ์เราจำได้ธรรมะข้อหนึ่งท่านก็เอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาบอกมาสอนพวกเราสัจธรรมขันติจาคาให้เราทําธรรมะทั้งสี่ประการนี้ปรหนึ่งเหมือนเหมือนสัตว์อยู่ปากข้อตอแล้วกันเราสังเกต ด, ดูสัตว์ที่อยู่ปากข้อเป็นอะไรเป็น ข้อวัวเป็นข้อควายเป็นข้อเป็ดอย่เงี้ยสัตว์อยู่ปากข้อพอเราเปิดประตูปั๊บตัวไหนอยู่ปากข้อออกก่อนให้เราธรรมะทำธรรมะทั้งสี่ประการนี้เปลี่ยนไปหนึ่งสัตว์อยู่ปากข้อแสดงกิริยาอะไรโผออกมาปั๊บมุ่งไปที่สัจจ์มุ่งไปมุ่งไปที่ธรรมะมุ่งไปที่ขันติมุ่งไปไปที่จารคัคให้ธรรมะเหล่านี้ออกโผล่ขึ้นมาทันที ข้าวสัตว์จากนั้นมันได้ทั้งทั้งส่วนสัตสัตซื่อสัต์สุจริตมันได้ทั้งส่วนของสัตยธรรมลึกๆเช่นอย่างหลักอริยสัตสคือหลักของตมะทิ่ลึกที่สุดหลักของอริยสัตสีปัสสัตสัตยะสัตยะคือสัต์ซื่อคือความซื่อสัต์ความซื่อสัตนั้นทำให้เราไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับกิริยาอาการที่เรามีความซื่อตรงกับภารกิจการงานของเรา ไม่ไม่หลอกตัวเองไม่ลวงตัวเองไม่หลอกคนอื่นไม่ลวงคนอื่น ม, มีความสัตด์มีความซื่อรู้ยังไงรู้ยังไงทําอย่างนั้นเห็นยังไงพูดอย่างนั้นเป็นข้อดีข้อถูกข้อตรงยังงก็ทําอย่างนั้นมีศัตรย์ศัตด์ซื่อและสักด์จากศักด์จากศักด์หมายถึงสักดิ์จากธร ท, ที่ละเอียดลึก ล, ลึกลงไปถึงขั้นไหนเหมื่อเราตั้งหัตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้เห็นอนิจจอางทุกขังนัตตาตามลักษณะของภาวะของ ของสังขารของเรามาแสดงให้ปรากฏเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรามาดูว่าสังขารเนี่ยมันไม่เคยคงที่มันไม่เคยอยู่เท่าเดิมคุณทีเจ้าท่านให้พิจารณาเห็นหลักสัจธรรมเหล่านี้แหละให้เราเกิดความเบื่อหน่ายคลายใจตัณหาเนี่ยมันไม่อยากให้เราผิดไปจากเดิมเรามีความสุขยังไงมันก็อยากให้เรามีความสุขในอยนู่นั้นแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เคยอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปแม้แต่อากภาพร่างกายของเราก็ไม่เคยอยู่เท่าเดิม เราเกิดในท้องแม่มีน้ําหยดน้ําใสน้ําใสๆแค่หยดหยดเดี่ยวหยดเล็กๆจนแทบมองไม่เห็นเป็นสังขารพ่อสังขารแม่ประกอบกันเป็นการไปถือกําเนิดตามตามการเกิดของกําเนิดของมนุษย์ตั้งแต่สังขารครับไปประกอบกันนั้นมันเป็นกองงานกองหนึ่งโผล่ขึ้นมาโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยความเปลี่ยนไปของสังขารเหล่านี้แหละคือลักษณะทุกขัง ทุกขังในชนี้คือความไม่อยู่ทเท่าเดิมด้วยเหตุที่มันไม่อย like e kind of ู girl, tobacco, ่เท่าเดิมแล้วมันจึงเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังด้วยเหตุนี้มันเป็นอนิจจังแหล้มันถึงไม่อยู่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นใครเห็นทุกขังก็คือเท่ากับเห็นอนิจจังใครเห็นอนิจจังก็เท่ากับเห็นทุกขังเรารู้อย่างอื่นเราดูยากเราดูมาที่อัตภาพร่างกายเมืเราไปโผล่ในท้องแม่กองสังขารโผล่ในท้องแม่จิตใจของเราเราก็ไปจับจ่อแต่ในจิตใจของเราก็มีสังขารผิตเหมือนกัน สังขารจิตของเราคือจิตคือท่ารู้ที่บ่ที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าเป็นท่ารู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่เป็นสังขารท่านไม่เรียกสังขารจิตพระอรหันต์ท่านไม่เรียกสังขารท่านเรียกวิสังขารจิตพระอรหันต์ท่านเรียกวิสังขารแต่ด้วเห็นที่มีกิเลสเป็นเพื่อนสองจึงเป็นกองสังขารสังขารนันนี้ไม่เคยอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทั้งรูปธรรมของเรา ทั้งนามธรรมของเราเราเคยเห็นอยู่เท่าเดิมมันไม่อยู่เท่าเดิมเหมือนกับเราอยู่ในอบัตในท้องแม่โตขึ้นมาเรื่อยโตขึ้นมาเรื่อยเป็นปัญญาสาขามีหัวมีแขนมีลําตัวมีขาอยู่เจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนออกมาจากออกมาจากท้องแม่ในระหว่างที่อยู่ในท้องแม่มีสาย ส, สายสะดือเห็นไหมสายลําเบียงอาหารดูดไปจากแม่ เพื่อไปเลี้ยงโรงงานโรงงานก็คือก อ, องสังขารกองนั้นไม่อยู่เท่าเดิมเรารู้จักก็ตามเราไม่รู้จักตามสนใจก็ตามให้สนใจก็ตา ม, ม, ตามเขาทํางานตามเรื่องของเขาแต่ใจของเราเนี่ยปัญหาที่มีอยู่ในใจของเรามักจะไปกักเกณฑ์สิ่งนู้นให้เป็นเป็นตามใจหวังของตัวเองมักจะไปกักเกณฑ์สิ่งนี้ให้เป็นเป็นตามใจหวังคนตัวเองด้วยเห็นที่เรามีความไปกักเกณฑ์ไปปูกพันไปคาดไปหมายไปเดา เรามีความทุกข์ทุกข์เราเราผิดหวังจากการยึดการถือการคาดการเดาที่จะเรียกว่าเกิดเวทนาเกิดที่จะเรียกว่าเกิดยินดีเกิดยินร้ายยินดีก็ยึดยินร้ายก็ยึดเมื่อเกิดยินดีเกิดยินร้ายก็เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดพบเกิดชาตินี่แหละสิ่งที่เป็นไปในพบในชาติเพราเรามันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจกิริยาการเป็นไปภายในจิตของเรานี่เอง พราฉะนั้นเมืเรามาเดินตามที่พุทธิยถาท่รงวางเอาไว้นี้เราก็จะเริ่มเห็นหลักของสัจธรรมสามารถพิจารณาคองทุกข์เราไปยอป้อนไปดูสมุทัยจนเห็นตัวสมุทัยคือตัวตัณหามันจะเริ่มรู้เริ่มเข้าใจจะเริ่มละเริ่มปล่อยเริ่มวางเริ่มเข้าใจไปเรื่อยเริ่มเข้าใจไปเรื่อยอเรารู้สัจธรรมที่เราเรียกว่าเรียกว่าอริยสัจสรุปลงแล้วก็คือเหตุกับผลเหตุอันหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เหตุที่ที่ที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นนะคือสมุ ท, ทัยคือตัณหาเหตุอันหนึ่งเป็นเหตุเพื่อดับทุกข์เหตุอันนี้คือมรรคเพราะดั บ, ด, บดับทุกข์ได้เป็นมีโรต่านพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเข้าใจเรื่องเหล่านี้ที่พระองค์เอามาต ร, รัสในธรรมจกกัก ร, รว่าท่านสูตว่าเป็นธรรมะที่พระองค์ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาติการก่อได้โปรกขึ้นแล้วแต่พระองค์เปลี่ยนเหตุให้พระองค์ได้ จักสุขได้ญาณได้ปัญญาได้วิชาได้แสงสวา่างมาบอกปัญจวัคคีย์นี่แหละคือคุณธรรมเหล่านี้แหละเกิดขึ้นในพระไทยของพระองค์มีหลักธ ร, รรมารยาศักด์สี่ัตยาสัตยากับสัจจะมีเราพิจารณาเราอธิบายให้เกิดประโยชน์ว่าเราเอามาถือปฏิบัติยังไงความสัตจซื่อความซื่อตรงมีความจําเป็นอย่างยิงย่งในสังคมของเราที่เราอยู่ร่วมกันที่เราทำนู่นโดยการทำนี้ด้วยกัน ยิ่งอยากทำธุรกิจด้วยกันต้องมีการตรงไปตรงมาเกี่ยวข้องกับคนนั้นกับคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้ต้องมีความตรงไปตรงมาถ้าเราเบี้ยวแหนบเป็นเวรเป็นภัยและเป็นบาปเป็ น, ป น, ป น, ก, ปนกรรมแล้วถ้ามีคนอื่นเข้าจับได้ว่าเราไม่ตรงไปไม่ตรงมาเนี่ยจับได้ครั้งเดียวเนี่ยตกกระป๋องไปเลยแหละหมดความเชื่อถือแล้วหมดความเชื่อถือไม่มีความจัดความซื่อเพราะฉะนังเพราะยังในหลวงทั้งสองส อ, อนสอนระเกินสนสอนหลักธรรมเหล่านี้ จาา่ธาธรรมะธรรมะก็คือความความข่มข่มอะไรข่มตัณหานั่นแหละใช้อะไรข่มใช้ขันติความอดความทนละขมจ่าฆ่าเสียสละเสียสนั่นนี้เราจะเราจะตีความหมายไปเ ก, กี่ยวกับเรื่องทานก็ได้ทานมากทานน้อยทานนูน้นทานนี้ทานของนอกกายก็ได้ทานของในกายก็ได้เช่นอย่างอวัยวะยางเงี้ยแต่วิสัยของพระพุทธเจ้าท่านทานแม้กระทั่งชีวิต เสียสละแม้กระทั่งชีวิตเช mm hmm. ่นอย่างพระองค์เกิดเป็นดาวหดนะนะท่านสละชีวิตให้กับแม่เสือลูกอ่อนแม่เสือกําลังจะกินลูกของตัวเองมันหิวนะท่านเป็นดาวดอยู่ในป่าท่านเห็นท่านก็โดดให้เสือกินอย่างนั้นมาได้ช่วยลูกมันไปหลายวันนี่คือเสียสละชีวิตเสียสละเสียสละทำไมเพราะเพราะอยากได้ความรู้ความเห็น ความเข้าใจว่าอะไรเป็นเหตุกักขังให้เราเกิดเกิดตายเกิดตายเกิดตายในใ น, ในวัฏจักสงสสนไม่จบไม่สิ้นขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ไ ด, ไ ด, ได้ตายก็หยอกความตายเพียงเท่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ต้องพูดถึงเรื่องเกรงเรื่องกลัวเ ร, เ, รเรื่องนู้นเรื่องนี้ขอให้ได้สิ่งที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นการสร้างบารมีของเราจึงสร้างสร้างเ น, านิ่นนาโอ้เสียสมขายแสนหมากับไม่ใช่ธรรมดาธรรมดา แล้วก็บางประเภทแปลกองสงไขยแสนมห า, หากับษบางประเภทชิบหกองสงนไขแสนมหากับนานมากบาเป็นบา ร, รมีเหล่านี้พอเวลาได้สันเร็ดลงแล้วบรรลุแล้วอืทําให้พระองค์โดดเด่นชนะหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ใครไปตามเอาชีวิตในพระว ร, รกายของพระองค์ก็ไม่สามารถจะทําได้บุญญาบา ร, รมีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเนี่ยป้องปกป้อ ง, องคุ้มครอ ง, ง, งได้หมดแม้กระทั่งตัณหาอาสวะที่อยู่ในหัวใจ ที่ที่เป็นเจ้าเป็นจอมของวัตจักรพัดผันมาในภกชาติไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นยังมีความสามารถเอาออกอยากพัฒนาได้เราไม่ต้องพูดถึงเพศภัยอย่างอื่นพุะพุทธเจ้าท่านได้เสียสละมาแล้วจักรธรรมะขันติขันติคือความอดความทนทนต่อหนาวต่อร้อนต่อแดดต่อฝนต่อหนั ก, ต, นกต่อเบาแต่ที่ทนอย่างยิ่งกันบอกว่าทนเจ็บใจ คนเราถ้าเราทนเก็บใจไม่ได้มีอะไรอยู่อยู่ใกล้มือแบบเดียวเดียวก็โผล่ขึ้นมาแล้วเป็นกระบองเป็นมีดเป็นปืนเป็นอะไรอดไม่ได้ทนไม่ได้ความอดความทนต้องเป็นอย่างยิ่งการที่เราพิจารณาความอดความทนพิจะให้อยู่ชะนัดทันทีให้เราพิจารณายัางไงให้เราจับมาที่อาการเมื่อเราต้องการจะอดจะทนจับมาที่กิาาการิยาาร เช่นอย่างเรานั่งนานๆเราปวดเนี้ยเราก็จ่อมาที่ความปวดนะจ่อมาที่ความปวดจ่อมาที่ความปวดวปวดูเวทนาโอเวทนาสักเทวาเวทนาอย่าไปว่าเราปวดอย่าไปว่าเราเก็บอย่าไปว่าเราปวดอย่าให้ความรู้สึกเกิดเกิดว่าเราเราเร า, เร า, เรานั่นคืออัตตาเมื่ออัตตาโผล่ขึ้นมาแล้วนั่นตัณหามาโตขึ้นมาแล้วให้เราพยายามจับให้เราพยายามจับมัน ให้เอาสติเอาปัญญาสักแต่ว่ารู้ว่ามันเจ็บมันปวดก็่ดจดจอลงไปแต่หลวงตาท่านไม่ให้จด อ, อยู่ที่นะท่านจอสลับไปจอสลับมาจอไปที่เวทนาแล้วจอไปที่กายด้วยไอไก้ไอไกายตรงที่มันเจ็บมันปวดเอาจิตอะไรจดไปที่กายตรงที่มันเจ็บมันปวดแล้วจอมาที่ความรู้สึกที่เวทนาประหนึ่งว่าเป็นกองไฟแล้วเราเราเข้าไปอยู่ท่ามกลางกองไฟเอาพว้รู้ของเราเข้าไปอยู่ท่ามกลางกองไฟ เราเจาะย้อนมาที่จิตอพอเราทําเตยมที่มันจะแยกจิตก็คือจิตเวสนาคือเวสนากายก็คือกายเนี่ยท่านพิจารณาอย่างนี้มันเข้าหลักมันเข้าหลักพิจารณากายพิจารณาเวสนาพิจารณาจิตพิจรารณาธรรมกายเวสนาจิตธรรมตามหลักมหาสติปัฏฐานพิจารณาย้อนกลับไปพิจารณาย้อนกลับมาเพื่อรู้เห็นเท่าทาันสิงเหล่านั้ น, นใช้ความอดความทน อดทนอย่างยิ่งอดทนต่อเจ็บต่อปวดต่อหนาวต่อร้อนอดทนที่สุดอดทนต่อความเจ็บใจเนี่ยธรรมะคือความคมคมก็เพื่อให้บรรลุให้รู้เห็นสัด จ, จัดอดทนก็เพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเห็นทนอดทนอารมณ์ทนเจ็บทนปวดทนอะไรต่ออะไรสารพัดเพื่อให้ได้บรษย์ถึงคุณธรรมเหล่านั้นเราฟัง ตามที่ในหลวงทั้งสอนเหล่านี้แล้วมาถือมาประพฤติตามมาปฏิบัติาถือว่าเป็นการบูชาคุณของท่านเป็นการระลึกถึงบุญคุณของท่านเป็นการอนุสติถึงท่านเพราะฉะนั้นพวกเรามีความเยื่อใสศรัทธาเสียสละใเรื่เวลามาบวชบุตรทิพย์ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระองค์บุญกุศลที่เราตั้งอกตั้งใจทําครั้งนี้รายตั้งใจดีดได้มากก็ ก็ได้ผลตามที่เราตั้งหัวตั้งใจทำนั่นเองแต่อย่างน้อยก็เป็นอนุสรณ์ของชีวิตของเราได้ไม่ธรรมดาชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเราได้เสียสนะได้ได้บวชบางทีติดอกติดใจอยู่ต่อไปเข้าไปบวชฝากชีวิตไว้ในผ้าเหลืองเราก็สามารถทำได้เพราะว่าระดับของผ้าเหลืองของเราที่เราเป็นเราอยู่นี้เป็นอีกระดับหนึ่งที่เราเป็นอยู่ มันเป็นการมาศึกษามารคตรรกะกับกิเลสตัณหาอาสวะเท่านั้นทำให้เราได้เที่เอแรงได้กำลังใหญ่เพราะฉะนั้นเราประรดธรรมะแนวปฏิบัติจูกันฟังน่าจะพอสุขควรเต็มเวลาเนาะเอาไปทำอายุติใจดีกว่าอ้มีมีอะไรอีกที่ก่อน